ศิกขาบทที่8ภิกษุณีไม่สละที่พักแล้วตรีกจาริกไปต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. ่ย่างเท้าเก้าที่หนึ่งพ้นเขตไปต้องอาบัตทุกกฎ 2. ย่างเท้าเก้าที่สองต้องอาบัตปาจิตตี